บุ๊กทูห้าสิบเจ็ดพบหมอฮุสเลก e นดิฉันมีนัดกับคุณหมอฉันมีนัดตอนสิบนาฬิกา คุณชื่ออะไรคะว่าอะไรนามสกุลคารุณานั่งรอในห้องเว้นเล็กส์เซ็ตไปคุวคุณหมอกำลังเดินทางมาแพทย์จะมาเร็วๆคุณมีประกันกับบริษัทไหน วุ่นเรื่องอะไรคุณได้ไหมว่าคุณมีอาการปวดไหมคะปวดตรงไหนคะวุ a n เรื่องอะ a รคุณไดว่คุณมีอาการปวดไหมคะปวดตรงไหนคะวุ e นเรื่องอะไรคุณได้ไหม ดิฉันปวดหัวบ่อยด a ฉันปวดท a องเป็นบา e ครั้ฉันปวดท้องเป็นบางครั้งฉ a นปวดท้องเป็นบางครั้งฉันปวดท้อออกค่ะางค du ้ง a ันปวดท้องเป k นบ r t a รั้งฉัน n วดท้อเป็นบางครั้ง ความดันโลหิตปกติบลูตริกะแอ r ์ยอร์ดันดิฉันจะฉีดยาให้คุณฉันจะให้ยาคุณฉันจะให้ยาคุณฉันจะให้ยาคุณฉันจะให้ยคุณฉันจให้คุณฉันจะใ้ยา Jag glade en recept till apoteket.